บุ๊กทูหกสิบเอ e ดลำด y บเ vi เดือนแรกคือเดือนมกราคม เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ดูงี้ เ, เ, เดือนที่สามคือเดือนมีนาค ม, ม, เ, เ, มาเดือนที่สี่คือเดือนเมษายน เ, เ, เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม เเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนหกเดือนคือครึ่งปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนนัเบ <Mart. S 1> มเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเซดมิเมเซติเอยูลเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนเดซิทิเมเปตเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดตเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเยดานาเอสติเมเซตเซโนเวมบร์ เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปีาา ก, กรกดาคมสิงหาคมกันยายนยูนียูลีอัฟกุสต์เซป สุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม October, November,